เป็นที่อายินดีมีศรัทธาจากหลายแห่งใกล้ๆใกล้ๆ ก, ก, ก็มีพิจารณามาถึงสุกโตก็ทำให้หมู่สงสุกโตอบอุ่นดีหรือว่ามีประโยคว่า เรเห็นเราพุทธบริษัททำงระสงค์ด้วยมาสกวาสิกาด้วยก็ไม่ไม่สูญเปล่าวัดป่าสุกโตนี่ยังมีพุทธศาสนิกชนมาใช้เพื่อศึกษาปฏิบัติ อันนี้ก็สมความตั้งใจของเราที่สุขโตก็เป็นความประสุก์อย่างที่เพื่อให้พวกเราได้มาศึกษามาใช้มาพิสูจน์ด้วยกันดูโดยพ่อภาคปฏิบัตินะมันจะต้องพิสูจน์กันแล้วเราจะไปกรรมกรรมกายกันอยู่มันมีสักครั้ง ก็ดีโดยอฉพะการจเจริญสติอยู่กับกายอยู่กับใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีสติอยู่กับกายหรืใจที่มันคิดรู้สึกตัวที่สุดตรงได้ลองดูจะได้ประสบการณ์จะได้บทเรียนที่ดีเป็นบทเรียนที่ลืมไม่ได้เกิดการ พบเห็นเกิดการประจับแก้กับชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบสี่ครับเดือนแปดตรงกับวันที่สิบสองกรกฎาคมและ ก, ะะก็ตรงกับวันเสาร์ด้วยเราก็มีโอกาสมากัน ถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาประทบมองโภการ 2,600 ปีวันนี้ก็เป็นวันสำคัญแล้วก็ 2,600 ปีอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันของพวกเราวัน 2,600 ปีนะั้น เราสัมผัสได้ในวันนี้โดยเพราะการแสดงวิธรรมเทศนาของพุทธเชา้าวันพุ่งนี้ถ้าวากมโนภาพดูวันนี้อาจจะพบออก่อนวันนี้อีกเกือวันอาจจะพบปัญจวีคีอยู่ที่ห่างจากศารนาไปประมาณเจ็ดกิโล หงพ่ก็เลยตามล่องลอยดูจากพุทธคยามาสาวธีเนี่ยทางประมาณสองสามลอยกิโลโอรเจอมเดินหลังจากการตารัดสะูกมันเป็นเดิอนหกแล้วองค์อาจจะเสวยวิมุติศกอยู่แถวแถวต้นศรีหาโพสี่สิบกวัน เพราะทำอะไรที่มันมีผลสําเร็จแล้วมันก็มันบันทึกในใจอัศจรรย์ต้นสีมหาโพธิ์ดูงานที่มันมีผลสําเร็จอาจาย์ซึ่งใจอยู่ที่านั้นไปทางทิศตะวันออกปัานไปนั่งทางทิศใต้ปั่นไปนั่งทางทิศตะวันตกปั่นไปนั่งทางทิศเหนือบ้างมองสีมหาโพธิ์เลย เป็นเรื่องสุดหัวใจของผู้ที่ได้สำเร็จตันยิ่งใหญ่ในการตัดสู้อนุตตรสมาสัมพุัญาะเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกที่สุดองกจาล้านก็ไตัดสินใจพิจารณาที่จะสอนริงทจ้พระองค์้ให้ใครที่ไหนหนอคิดถึงอุทธกราบทอราถถาบทก็หมดชีวิตไปแล้ว ไป ค, คิดถึงปัญจวัคคีย์ที่หลบหนีจากพงไปที่ดงคสิลิมองจากพุทธคยาไปดงคาซิลิเห็นภูเขาดงคศิลิพอมุมมัวเป็นมวมมัวอาจจะไกลถึงหลายหลายกิโลนะ ก็ยตามหาพระปัจจวิชีซึ่งพอจะพูดกันรู้เรื่องหรือิเดินจากพุทธพยาสองร0อยสามรอยกิโลแต่วันนั้นหลวงพ่อนั่งรถนั่งรถไปรถไปติดอยู่สะพานโซนี่ความยาวเจ็บกิโลไปติดอยู่ที่นั่นเกือบสามชมั่วโมง ก็มีแขกเอาอาหารมาขายได้แต่ว่าสิ่งที่น่ า, าชื่นใจคนอินเดียข น, นาดรถดติดสามชั่วโมงคนก็นั่งยิ้มกันตลอดไม่มีใครน่าบ่นตึงเครียดเขาเคยคินกับการไม่สะดวกเยอะแยะเขาก็เลยเกิดความเครียดแขกพวกเราที่ไป แสดงบุในในเพลาคณะต่างก็ทางพ่ก็บอกให้ทางพ่อก็นั่งอยู่บนรถก็บอกให้ะนะคณะคนไทยที่ไปแสดงบุนให้เอาอย่างเขาบ้าอยหญใจร้อนไปเย็นเย็ น, ยนการแสดงทำนั่งเทีอยู่ในรถมัดมือชกเลยไปไหนไม่ได้ตอนนั่งน่อยู่ในรถแสดงทำอยู่งางนั้นก็ รู้สึกว่าทำใจได้เหมือนกันมันเดินจากพุทธพยาไปถึงป่าอิศิัตณะมลึกปาะธาวันเนี่เก็บชั่วโมงดูสิแต่เราดันรถพระพุทเจ้าเราเดินไปไหนนะกี่วันกี่เดืนอนก็ไปแสดงทรรที่นะั่นไปพบปัญญวคีครั้งแรกนะย ปัญจวีร์ไม่ยอมรับเลยพอมองเห็นเขาพริเจ้าก็ประคน้าว่าสมณะมากมากมาแล้วพวกเราไม่ต้องต้อนรับนี้ปะ ก, กนเดินนี้ไปอีพระเจ้าก็พักอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าวันหลังก็ตามไปอีกดูสิ ด้วยความเมตตาความเพียรพยายามแม้แต่ปัญจวคีร์จะโกรธเคืองแบบนี้ต่อหน้าต่อตาถ้าเป็นคนธรรมดาก็าหมดอะไรตายยากแต่พระพุทธองค์ยังติดต้อยน้อยตามยังมีความเพียรพยายามมีเมตตาทีุ่ณมหากรุณาธิคุณรุ่นพ้น ไม่มีอะไรที่จะทำให้หอถอยก็จะตามไปวันหลังต่อมาก็ตามไปจากที่พบครั้งแรกไปถึง ป, ป่าอิสิปัตนาต์ประมาณเจ็ดกิโลมันก็เดินไปพบอีกพอไปพบโกลนธัญภาพมก็บอกว่าป่าพัธิยะมหานามะว่าพวกเราไปต้งรงนั่งอยู่นี่แหละ สมณะผุ้มากมาแล้วเราจะสนใจหรือไม่สนใจก็ไม่ต้องสงสนใจเลยท่านผูสงค์จะนั่งก็ให้นั่งท่านไม่ผู้สงค์จะไม่นั่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก้นทย่จนะผามัซึ่งเป็นผ้าหนู่มสมัยทําลายพลักษณะของผมตอนที่เกิดได้ประสชดได้ เจ็ด ว, วันกนเทญพรายมณ์นี่ทำนายเป็นลักษณะเดียวว่าจะต้องออกบวดก็มั่นใจในการทำนายของตัวเองจมชวนว่าปปัติยะมหานามะอัจฉิย์กออกบวดตามก็ยังมีสะทายก็เห็นพระพุทธเจ้าเลินมาวดไม่ได้ลุกขึ้น เอาผ้าอัชนะติปูที่แรกนัด ก, กันว่าจะไม่ตอนรับพอพระองค์เดินก็ไปใกล้จริงๆหรอคนรายาผาเอาผ้าเป็นสีธนปรถปูให้นั่แต่ว่าประชงจะนั่งกะไม่ประสงจะนั่งก็ม่เป็นไรแต่หันหน้าใส่แต่ว่าป่าปริยภานว่าอะไรขี้ไหนหันหลังให้โอเคมัก็ยังมีความเพียง ดูก่อนปันจวีร์ <c oughs> ดูก่อน <c oughs> เราจะพูดอะไรให้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นการตัดสรูนเกิดขึ้นแล้วในโลกพอพ่กพระดองพูดถึงค็ว่าการตัดสั้นก่นท้าจะฟัานั่งไม่เคยไดีนั่งฟัง ตัวป ร, ระเทศอ่านพวกนี้นะเรียกว่าทำไมจักกระปุกตะลักสตรพูดถึงทางดำเนินชีวิตของคนเราทางมันต้องมีมังกันนะชีวิตของเรามันมีทางถ้าพบทางแล้วก็ไม่มีไม่มีตันคนโกรธคือคนไม่พบทาง คนที่มีทุกข์คือคนไม่พบทางคนที่มีความหลงขับแคน้นแน่นใจคั้มเครียดกิจกกังวลคือคนไม่พบทางมันก็หลงทางเราพบทางไม่มีไม่มีสันมันมีทางออกเยะแย ะ, ยะมองทะลุทะลวงลวเลยเช่นความโกรธมันก็เห็นก็ไม่โกรธไม่จะโกรธได้หรืมันหลงก็มองเห็นความไม่ห ล, ล, ลง มันจะหลงได้ยังไงยิ่งเาทุกข์มันก็มองต้องคนไม่ทุกข์มันจะทุกได้ยัมันไม่ถูกต้องใครจะไปยอมเพราะมันเห็นคนเรากินหัวข้าวข้าวกับข้าวของเราอยู่ในตู้เอาไวเ้เก็บไว้ตู้เย็นอย่างนี้ใครจะไปยอมหัวข้าวเพราะเรามีอยู่ไม่ต้องเอามันก็บการที่ใช้ชีวิตก็เหมือนกัน ของที่มันมีเราต้องเกิบมาใช้ในคราวจำเป็นถ้าไม่จําเป็นมันก็ต้องมาเก็บไปเช่นเวลาทุกข์มันก็เอาควาทุกข์ไม่ทุกข์มาใช้เวลาความโกรธก็ก็ไม่โกรธมาใชา้เวลาความหลงก็ก็ไม่หลงมาใชา้มันมีมันเป็นของที่มีอยู่ อย่างนี้ว่าคนพบทังเราทําบันนี้ก็ได้ธรรมะจับ ก, กับปัจจุสูตรยังมีอยู่ในชีวิตของเราคือคนเป็นนคนยังมีลมหายใจที่มีสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวจำจั่เปลี่นเมื่อคนหลงทางต้องจํำเป็นต้องหาทางหลายคนที่มาส่วนตัวนะอย่างกรุงเทพหลงทางพอมาถึงโอ้ยหลงทางล้วก็ แต่ว่าเขาก็มาถึงถ้าหลงก็ยิ่งหาถามไม่เป็นก็ต้องถาม่อกไปมาก็มาถึงเพียงใจลำบากต่อเจอเวลานอยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราลองใส่ใจมองอะไรอย่าไปมองแบบอาภัพอับอจนมองแบบทะลุทะวงจะลอง เอาอย่างพระเจ้าตามรอยยุคคนบั้นเอาอย่างเหล่าพระสาวกทั้งหลายในวันนั้นอาจจะเป็นวันนี้ของพวกเราเพราะว่าพระดังคําสอนไม่เสือ่อมเป็นอากาจิโกเป็นเอหิปัสสิโกเป็นโอปันนิโกเป็นปัจจัตันลู่ได้ สมกับการปฏิบัติของเรามันการพระานาสดาของตัวเรามันไม่เสื่อมไปนะถ้าเรามองจริๆศึกษาึงิงๆว่าแต่ตั้งต้นจากปา ร, รู้สึกตัวมันจะมาเป็นพวงรต่เ ร, เราไม่คอารู้สึกตัวอยู่ที่กาย ตัวที่เราจะมีความรู้สึกยู้สึกตัวกิจการมันผ่านอะไรมามันผ่านมาเยอะแล้วแต่ความไม่อยู่ที่ไหนไลยลูกของห้องล้างนนนนี้อยู่ที่ไหนไม่ลูกพอมามยกเรื่รู้สึกตัวโอ้มันผ่านอะไรมาตัวที่จะมารู้สึกตัวหรือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันผ่านความผิดความหลงอะไรมาเยอะจนมาถึงความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวอยู่กับรงมหายใจความรู้สึกตัวอยู่กับากาพเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เล็กน้อยเราจะไปมองว่าเออแค่ได้หรือหม่ค่ับต่อรู้สึกตัวมันไม่ใช่แค่นี้มันยิ่งใหญ่นะแต่ศินสมาธิปัญญาเกิดบักก็เป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่เป็นวิสังขารด้วยเป็นนื้อานะแล้วรู้จริงๆนะ แต่ถ้าลูกเพิ่งลูกต้องหลงก็ยังเป็นต้องกำลังเดินทางอยู่ให้เราให้ความเพียงตรงนี้สัก่อมันจะเสียเวลาจากที่เราทำการประชาธนามะาบโหลกงบทรัมย์ทำบุญให้ทางจากวัดส่้งบานอ่ามแก่พเราแต่ว่ามันขาดแขวนตรงนี้สหน่อย สกสุลโตเรียกเสริมให้ก่นจะตั้งท่าตั้งท่าที่จะต้อนรับคู่ที่มาทางนี้คิดว่าจะเป็นเพื่อนจะมิตรจะไม่พาหลงทิศหลงทางก็มีความมั่นใจ้วยคสค่วนเหมือนกับพวกท่านที่เป็นหมอที่เป็นพยาบาลตนสมทรีนคน หลายคนที่เป็นเพืานมานีถ้ามีคนป่วยบ้างนะก็มั่นใจจะต้องรักษาคนป่วยมา้หายบางทีก็บอกว่าอีกสองวันกลับบ้านได้เวาหมอมาตรวจแล้วก็กลับไปเลยออนนี้ก็สนคัญถ้าเราช่ำชิดนานเรื่องต่างๆมันก็มั่นใจเราเป็นครูเราเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกเราเป็นปัญหา เราไม่พอสามารถแก้ได้ด้วยเต็มเอือของเราขอให้เราถึทำเถอะเอามาเอา ม, มาลุกลองให้แม่บอกเอามาเอา ม, มาพ่อเอาไมหไแม่บอกเอามาพ่อเอาไแม่เอาไอ้่ได้พ่อก็เอามาโอ้เอาด้ทีอันนีก็เรื่องความจริงมันก็อยู่บนความจริ ง, รงเสมโดยพาตัวปฏิบัติธรรม ทำเดียเ๋ยวรี้ก็รู้ได้ผลไม่ต้องรอเลยยกมือเพิ่มรู้สึกนะยกก็รู้เพื่อนมาไม่ก็รู้รู้ทันทีไม่เหมือนกันเลยอั น, นอื่นต้องรอนะต้นต้นน้อยควจะออกดอกออกผลนะตั้งห้าหปี6ปีปลูกพริกก็ต้อง4เดือน3เดือนปลกกระปุ่สิบห้วันต้งองรอ แต่ว่าการตกตกับดูรายทันทีได้ทันทีเวลามันหลงคพามรูกไปเสร็จลงก็หายทันทีนีงงน่มันก็ใช้ได้เ ล, ลเลยเวลามันหลงเราลองรู้เสตัวดูสิป้อมหลงก็ไม่เหนื่อก็หมดไปแม้มันหลงแล้วหลงอีกแต่รู้แล้วรู้อีกใช่อันเดียวสูตรเดียวอันเดียวควรู้เสตัวไปว่าจะตั้งไว้ที่ใดตั้งไ ว, ทไว้ที่กายเคลื่อนไหวยกมือสร้างไปว่า สร้งไว้กับ ก, ก, ก, กาเรเดิจนจงกรมก้าตั้งไว้กับลมหายใจเท่าผลที่ผลจะเล็กแค่น้อยทิพตาตื้ น, น้ําลาย <c oughs> ทำอะไรก็ได้หัดเที่ยงก่อนจะนิสัะมันจะเป็นมั้งตรงนี้มั้งคือดูคือรู้คือเห็นเห็นอะไรเห็นทุกอย่างความสุขก็เห็นความทุกข์ก็เห็นความผิดก็เห็นความถูกก็เห็น หาเถอะอะไรจะมาจะเห็นเท้านั้นมม่มีตรงไหนที่จะเปลี่ยนตามบางนําทางได้อโอ้ไม่มีเลยในชีวิตเราทางกายก็เห็นได้ขนะทางใจก็เห็นได้ขนาดคนอื่นไม่เห็นเราเห็นของเราเป็นความหลงคนอื่นไม่เหนเราเห็นเห็นความหลงแล้วเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สึกตัวแล้วมันมเปนลี่ย น, น, น, นได้ ความรู้สึกตัวไปอยู่ตรงไหนก็คือความรู้สึกตัวไม่เหมือนอะไรอยู่กับกายก็เป็นความรู้สึกตัวอยู่กับใจก็สวนรู้สึกตัวอยู่กับหูได้ยินเสียงก็สุความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นหญิงไม่ใช่เป็นชายไม่ใช่เป็นคนหนุ่มเป็นคนแก่เป็นนักบวชเป็นคารวะเป็นฤทิเนกาไม่ใช่แน่นอน ของตัวใครรู้ก็เป็นของก็ท่านรม ท, ทีใครไม่รู้เขาก็ได้ควไว้รู้เขาเขารู้เขาก็ได้ความูา้ใหรเป็นกรรมที่แน่นที่สุดญากิรู้ก็ทมใครไปช่วยเราไวนะ่ได้เีแต่เป็นเิตเป็นเพื่อดอย่างดีก็พูดเท่าัหร่พูดพ้นพ้นเอาไว้เหมือนญอาติทําคนหนึ่งยังยังกลับเลยยัง ามาก็บลูกชายกลับแล้วยไม่จลาาันะเที่นี่นั่ง อ, อยู่เขาอยากให้หลวงพ่ อ, อพูดคาพูดของพ่อว่าอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูอย่าเข้าไปเป็นนะ้าเขาก็ไปใช่พราะมันเกิดขึ้นเขาดูมันลูกเขาก็ดูควาลูกมันสุกเขาก็ดูความสุกเลยไม่ต้องเสียเวลาไปสุกไม่เสียเวลาไปเป็นผู้รู้ไม่เสียเวล า, ไ ป, ปล ไ, วลาไปเป็นผู้ไม่รู้ก็ดูอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ดูเลยนะ นี่ยเป็นคำพูดที่ไปประสบกับพวกเร า, าเพราะั้งแต่พระพุทธองค์สอนไว้อย่างพุโทโธจะไงมันบันเทือกอะไรต่ว่าพุโทโธเป็นคำพูดเฉยๆรู้ว่าเป็นของจริงในชีวิตเรามีไหมต้อว่าพุโทโธในชีวิตของเรามีไหมต้องมีหาที่อนไม่ด้ต้องมีมตัวตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติทำไง ก็จะเป็นว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ให้ผลได้ไม่จำกัดนะการเดินปนัญญาอานุทนากับพวกเราที่มาสุขโตมาถึงที่นี้แล้วก็เป็นการระยานมิตรมาสื่กษารเดียวกันแม่หลวงพ่อจะพูดตีขนาดไหนกี่วันกี่คืน ประโยชน์กนอนฟังหลวงพ่อเทศสองสามชั่วโมงแต่ถ้าเราไปยกมือสร้างไปหวนโลหิตพวกรอาจจะดีกว่าเพราะมันเป็นของสัมผัสตดา้ทำโทษเป็นสมมุติปัญญัติการกระทําเป็นปรมาจารย์เพราะมันเห็นมีอสัมผัสได้โอ้ตัวโลตัวโลตัวโลให้เราได้สัมผัส กับความโลดสึดตัวแล้วสัมผัสกับความหลงแต่ถ้าไม่เคยสัมผัสกับความโลดสึดตัวจะไม่เห็นความหลงว่ามันคืออะไรระหว่างความหลงกับความรูดส <mel> ึดตัวมันต่างกันอย่างไรระหว่างความไม่โกรธกับความโกรธมันต่างกันอย่างไรต่อไปเราจะไม่มีคาถาม จะจะทำไม่มีความตันมีแต่การพบเห็นพบเห็นพบเห็นการพบเห็นมันอยู่ใกล้ๆแต่การคิดเห็นมันไกลโน่อยู่กรุงเทพโนอ่อยู่ประเทศอินเดียโน่แต่ถ้าพบเห็นมันอยู่กับกายอยู่กใกล้ๆเอาวันนี้ก่อนพบกันท่านี้ก่อนต้อนรับธรรมะอดิสันถาเราเรารู้เสร็จว่าหมดแรงกั น, นวันนี้ <c oughs> ให้หลายที่ไปนักชาชพักไปเทศอบรมบันติบเขาไหว้ครูก็นอกกิจกัรประชุมเวลานั่งประชมุม 2-3 ชั่วโมองมมออกกิจกัรมาสแสดงธรรมที่วัด ส, สันติธรรมแล้วก็มาบวชบวชผัวเมียพูดถึงบวชพร้อมกันเข้าโบวถ์พร้อมกันนั้น อะเงี้ยเาหัวปดต้ อ, อกงกันเลยแล้ว่าเป็นผัวเป็นเมียจะเป็นเพื่อนกันพวกหญิยยงนั่งกนอนผูใชายนั่งข้างนี้นปวดเสร็จแล้วกรมานี้จเป็นเพื่อนกันรวมเด็ดกระต๊อกเป็นของประดับท่ามาคอยหวานเมื่อวานนี้เราได้ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการมาตรวจขีวัดคนณภาพของนักเตียง เราก็พูดถึงสมบัติของนกเราอยากให้ครูทั้งหลายสร้างุนธรรมด้วยการดูนกถ้าเล็กๆนกเกิงๆมันจะไม่มีหนังสติ๊กกินนกแต่ถ้าใครได้ดูประวัติของนกเห็นนกเรามาอ่านประวัติของนกแค่นี้ดูสักสิ ต, ตัวต่กอดแล้วพอเท่นนั้น แล้วเด็กมาไปเด็ ก, ไป ด, กไปดนกนะเขาสกเก็ตภาพมาต้องมาดูตาําราแล้วอ่านดูประวัตินกตัวนี้วันปีนิสัยใจพ อ, อยังไงอ่านดูเราได้อีกตัวที่สองอ่านดูได้อีกตัวที่สาที่สิบตัวอ่านดูก็พรอมมาเปลี่ยนนิสัยของเด็กไดถ้าเขาได้สักสิบตัวพวกเราก็มอบเข็มให้ยันตาทัา้งอันนั้นที่สุดเด็กเขใจดีเขาก็พูดถึงเนี่งความโลม้ของเ หาง่ายแต่คนธรรมเนี่ยก็ต้องเสริมสร้างโดยหลายรูปแบบก็พอสมควรเจ็จาแลนะ้วก็โดยความตั้งใจดีของพวกเรามาจนที่นี่จงได้เป็นตะปาเตชะท่านคุณมโนสงให้ทุกท่านประสบพเบเห็นกับศัจธรรมเบืิ ก, ก ส, ก ง, กสงของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็สอนช่วยคนดื่นให้รู้ตาม มีความสุขทุกท่วนหน้าทุกคนทุกคนท่านเธอกราบพระพุทธกราบระพุทธอะรังจมาจัมปโทภะโธะโถดังตัตถวนตังอะภิรานเทตวกัตโตภะวะต สามัญนาซันโลติปโนะะทสามันโัง